ที่ต้องเศร้าโศกดังนี้ก็เพราะความรักเมื่อมีความรักร้อยหนึ่งก็ต้องเศร้าโศกร้อยหนึ่งเมื่อมีความรักเก้าสิบก็มีความทุกข์เก้าสิบดังนี้เป็นต้นลดลงมาลดลงมาจนถึงเมื่อมีความรักหนึ่งก็ต้องมีความทุกข์หนึ่งเมื่อตัดความรักได้ ความทุกข์ก็ดับหมดแม้เป็นโสดามันบุคคลก็ยังต้องเป็นทุกข์จนกว่าจะเป็นภูที่ตัดกิเลสได้สิ้นเชิงเป็นขีนาศบและความรักใดทั้งหมดไม่มีสักหนึ่งก็ดับทุกข์ได้หมด ฉะนั้นเมื่อนามารูปอันนี้ต้องแก่ตรงเจ็บตรงตายท่านจึงไม่เป็นทุกข์เพราะว่านามารูปอันนี้ชีวิตอันนี้ ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งต้องเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับเพราะฉะนั้นเมื่อนามารูปอันนี้แก่เจ็บตาย ก็เป็นเรื่องของนามรูปจึงจะต้องเป็นดังนี้ไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายเพราะไม่มีตัวเราอยู่ในนามรูปนามรูปไม่มีตัวเราเพราะวัละตันหาอุปาทานได้หมดแล้ว ไม่มีรักเหลืออยู่แต่สักหนึ่งจึงไม่มีทุกข์เหลืออยู่แม้แต่หนึ่งสิ้นทุกหมดดังนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการหักกิเลสหรือวันดับกิเลสหักใจ หรือดับใจจึงเป็นเรื่องที่ทุกๆคนจะต้องปฏิบัติหากว่าไม่ปฏิบัติในการหักในการดับกิเลสหรือใจไว้บ้างแล้ว จะต้องเป็นทุกข์มากมายเพราะว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้สังขารร่างกายนามารูปของตัวเองก็ดีสังขารร่างกายนามารูปของผู้อื่นก็ดีและทุกๆสิ่ง ที่เข้าใจว่าเป็นของเราเป็นตัวเราหรือเป็นสัตว์บุคคลตตนเราเขาทั้งหลายรวมกันเข้าว่าเป็นโลกนี้ทั้งสิ้นล้วนเป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่เกิดดับ ในความเกิดดับนั้นก็ต้องเป็นไปตามกรรมตามปติของธรรมดาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ลุจนนั้นจึงต้องหัดพิจารณาที่จะเจาะแทง ลงไปด้วยสติและปัญญาให้รู้จักสัจจะคือความจริงข้อนี้และเมื่อได้คัดพิจรารณาเจาะแทนลงไปให้รู้จักความจริงข้อนี้แล้วก็จะเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญาที่ตั้งขึ้นมาสติตั้งปัญญาตั้ง จะเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานเป็นปัญญาปัฏฐานก็ได้เมื่อสติตั้งขึ้นมาปัญญาตั้งขึ้นมาก็จะดับใจหักใจดับกิเลสหักกิเลสได้จะทำให้ทาไมต้องเป็นทุกข์หรือแม้ว่าต้องเป็นทุกข์ตามสามั ญ, ญชน ก็เป็นทุกข์ไม่นานนักแล้วก็จะหักใจได้ดับใจได้หักกิเลสได้ดับกิเลสได้อันเป็นตัวเหตุให้ก่อทุกข์ร้อนต่างๆในการปฏิบัติดังนี้ต้องอาศัยตนเองที่จะปฏิบัติ ตั้งสติตั้งปัญญาขึ้นมาให้จิตนี้ดื่มสติดื่มปัญญาเข้าไปเป็นธรรมโมสดและเมื่อจิตนี้ได้ดื่มสติได้ดื่มปัญญาเป็นธ ร, รมโมสดเข้าไปแล้วก็ดับโรคที่เสียดแทงจิตใจ คือตันถาอุปาทานอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ตามสมควรเก่ับความปฏิบัติวิธีปฏิบัติในการที่จะหักจะดับดังกล่าวนี้ต้องอาศัยสติและปัญญาดังที่กล่าวมาที่ทุกคนสามารถจะปฏิบัติตั้งขึ้นได้ แล้วทางหนึ่งก็ถือว่ากําหนดดูจิตของตนที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันให้รู้จิตของตนที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไรและเมื่อตั้งจิตกำหนดดูดูอยู่ดังนี้ก็จะมองเห็นจิตของตนนี่ดิ้นรนกวัดแกงกระสับกระส่ายไปในอารมณ์ต่างๆ เลื่อนลอยไปในอารมณ์ต่างๆเมื่อดังใจกำหนดดูจึงจะรู้สึกดังเช่นกําลังฟังอยู่นี้จิตใจก็ อยู่ฟังบ้างไม่อยู่ฟังบ้างกำลังสวดมนต์ปากสวดไปจิตใจก็สวดด้วยบัางไม่สวดด้วยบ้างเพราะว่ามักเลื่อนลอยไปสู่เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอเหมือนอย่างมีเครื่อง ดึงดูดเอาจิตใจไปเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่รู้จักปัจจุบั น, นธรรมธรรมะที่เป็นปัจจุบันที่กำลังประสบอยู่เมื่อไม่รู้จักปัจจุบันธรรมะที่กำลังประสบอยู่ ก็เรียกว่าเป็นผูที่หลงอยู่ในปัจจุบันเมื่อหลงอยู่ในปัจจุบันเพราะจิตใจไม่รู้ปัจจุบันจิตใจเลื่อนลอยไปจึงไปหลงอยู่ ในอนดีตบ้างในอนาคตบ้างสุดแต่ว่าจิตใจจะไปทางไหนเลื่อนลอยไปในอนดีตก็ไปหลงอยู่ในอนดีตคือเรื่องอดีตลองลอยไปในอนาคตก็ไปหลงอยู่ในเรื่องอนาคต แต่อันที่จริงนั้นเป็นตัวความหลงอยู่ในปัจจุบันนี้เองแต่ว่าไม่รู้จักตัวความหลงของตนซึ่งหลงอยู่ในปัจจุบันไปคิดว่าเพลินอยู่ในอดีตหรือว่า เศร้าโศกไปในเรื่องอดีตเพลินไปในเรื่องอนาคตหรือว่าเศร้าโศกเป็นทุกข์ล่วงหน้าไปถึงเรื่องอนาคตเดอะอันที่จริงนั้นตัวความเพลินหรือความเศร้าโศกที่นึกว่า อยู่ในเรื่องอดีตหรืออยู่ในเรื่องอนาคตนั้นเป็นปัจจุบันนี้เองเป็นความหลงอยู่ในปัจจุบันนี้เองเมื่อเป็นความหลงอยู่ในปัจจุบันดังนี้ก็เป็นอันว่าไม่รู้จักตัวปัจจุบันธรรมเพราะว่า กเรื่องที่เป็นอดีตบางเป็นอนาคตบางถูกความยินดีความยินร้ายต่างๆบางบางเกิดขึ้นเป็นบางปัจจุบันธรรมอยู่ทำมาให้ไม่มองเห็นปัจจุบันธรรม เมื่อเป็นดังนี้แหละยังเรียกว่าขาดสติความระลึกได้ขาดสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเหมือนอย่างคนที่เรียกว่าไม่มีสติเดินไปไหนชนนั่นชนนี่ก็เข้าว่า ไม่รู้ปัจจุบันธรรมคือไม่มีสติกำหนดอยู่ว่าเรากำลังเดินอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่าเผลอสติน่และบางทีวางอะไรไว้ก็ลืม ไม่ระวังวางไว้ที่ไหนก็เพราะว่าไม่มีสติกาหนดอยู่ในปัจจุบันธรรมคือในขณะที่วางของนั้นถ้ามีสติกำหนดอยู่ในปัจจุบันธรรมว่าเรากำลังวางของสิ่งนี้อยู่ที่นี่มีสติเป็นตัวกำหนด มีสัมปั ญ, ญญาคือความรู้ตัวอยู่ว่าเราวางของนี้ไว้ที่นี่แล้วจะไม่เกิดลืมง่ายจะจบได้ไม่ต้องค้นหากันให้ยุ่งไปพิจารณาดูแล้วจึงจะเห็นว่า จิตของทุกๆคนนี้ที่ไม่ได้ปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะจะเป็นอยู่เช่นนี้เสมอนึกว่าเราจะนั่งขณะที่กำลังนั่งจริงนั้นไม่มีสติอยู่ในการนั่งเพราะว่าจิตนี้นึกล่วงหน้าไปอีกแล้วว่าเราจะพูด ตอนที่กำลังนั่งนั้นไม่รู้ตอนจิตไปนึกว่าเราจะพูดในขณะที่กำลังพูดจิตก็นึกล่วงหน้าไปถึงที่จะพูดต่อไปคำนี้กำลังพูดอยู่ไม่รู้คือจิตมักจะคิดล่วงหน้าไป มันจะทำนั่นทำนี่แต่ในขณะที่กำลังทำจริงๆนั้นไม่รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะจิตคิดล่วงหน้าไปเรื่องอื่นซะแล้วมักจะเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีสติที่จะกํากับตัวเองรักษาตัวเองดังที่ พระพุทธเจา้าตรัสสรนไว้ว่าเนป ก, กะหรือนิป ก, กะอันแปลว่ามีรักสิกมีสติรักษาตนคือมีสติอยู่กับตัวเมื่อมีสติอยู่กับตัว ก็มีสัมปัญญาคือความรู้ตัวอยู่เสมอไม่หลงลืมและยิ่งเมื่อส่งกิตให้ลองลอยเป็นอารมณ์อดิตบ้างอนาคตบ้างพเพลินไปบ้างเศร้าโศกไปบ้างก็ยิ่งปกปิดปัจจุบนันธรรม ธ ร, รมะที่เป็นปัจจุบันของตนแน่นหนายิ่งขึ้นจะทำสมาธิก็ทำไม่ได้เพราะว่าใจไม่รวมการจะทำสมาธิได้นั้นต้องรวมใจอยู่ในปัจจุบันธรรมได้เช่นว่าสติกำหนดลมหายใจเข้าออก ก็ต้องมีสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจนี่เป็นตัวสติและเมื่อเป็นดังนี้หายใจเข้าก็รู้ว่าอะไรเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าเราหายใจออกรู้ตัวอยู่ดังนี้เป็นสัมปชัญญะสติเป็นตัวกำหนด และเมื่อกําหนดก็ย่อมจะมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าเรากําลังให้ใจเข้าเรากําลังให้ใจออกอันหมายถึงว่าให้ใจเข้าให้ใจออกที่เป็นปัจจุบันธระมนั้นเองคือให้ใจเข้าให้ใจออกที่เป็นจริงๆอยู่ในเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ และเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่ดังนี้จิตจึงจะได้สมาธิสติก็ตั้งเป็นสติปัฏฐานปัญญาก็ตั้งเป็นปัญญาปัฏฐานคู่กันไปที่ทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะว่า จิตล่องลอยไปในเรื่องอดีตในอารมณ์อดีตในเรื่องอนาคตอารมณ์อนาคตบัตัดไม่ได้ก็ตั้งสติไม่ได้ตั้งปัญญาไม่ได้เป็นสมาธิไม่ได้ฉะนั้นการจะทำสมาธิได้ก็จะต้อง มีสติมีสัมปชัญญะในปัจจุบันธรรมคือกรรมฐานที่กำหนดนี้แหละเป็นปัจจุบันธรรมของตนจะเป็นกายขอ้อใดข้อหนึ่งก็ได้เวทนาขอ้อใดข้อหนึ่งก็ได้จิตก็ได้ธรรมะขอ้อใดข้อหนึ่งก็ได้ในสติปัฏฐานทั้งสี่ ใช้ได้ทั้งนั้นและเมื่อจิตรวมกันอยู่เป็นตัวสติเป็นตัวสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาประกอบกันดังนี้ย่อมจะได้สติปัฏฐานทั้งหมด แม้ว่าจะตั้งต้นกำหนดแต่เพียงข้อเดียวแต่เมื่อจิตมารวมอยู่เป็นปัจจุบันธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็รวมมาอยู่เป็นอันเดียวกันแล้ก็จะได้พลชงสติ โพชอง ร, รมวิยะโพดชงเป็นตน้นตามมาลดยไม่ยากอันเป็นทางปัญญาเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความเจาะแทงลงไปที่ปัจจุบันธรรมนี่แหละให้ได้ต้องเจาะต้องแทงอารมณ์ ต้องเจาะต้องแทงกิเลสที่มาปกคลุมอยู่เพราะเหตุที่จิตนี้เลื่อนลอยออกไปดังกล่าวนั้นให้ได้เมื่อเจาะแทงได้ปัจจุบันธรรมก็ปรากฏตั้งแต่ขั้นสมาธิขั้นปัญญา ขันสมาธินั้นอารมณ์ของสมาธิที่กำหนดตั้งเห็นกายก้อนใดก้อหนึ่งเห็นลมหายใจเข้าออกก็จะปรากฏราวรวมๆก็คือว่ากายมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวนี้เวทนามีอยู่ มีอยู่เดี๋ยวนี้จิตมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวนี้ธรรมะคือเรื่องในจิตมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวนี้เ <c oughs> ช่นหายใจเข้าหายใจยออก <c oughs> หายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นตัวกายหายใจเข้าหายใจออกเป็นตัวเวทนา หายใจเข้าให้ใออกเป็นตัวจิตหายใจเข้าให้ใจออกเป็นตัวธรรมะในจิตเป็นปฏิบัติกายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่ดังนี้ก็เป็นสมาธิ และเมื่อได้สมาธิดังนี้ก็ดูตัวที่มีอยู่นี่แหละคือดูตัวกายเวทนาจิตธรรมที่มีอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละไ้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มาสิ่งที่ไปมาก็คือเกิดไปก็คือดับมาไปอยู่ในปัจจุบัน มาก็เกิดไปก็ดับมาไปมาไปอยู่ดังนี้เป็นปัจจุบันธรรมก็เป็นตัวปัญญาเห็นเกิดดับขึ้นโดยลาดับเห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นเท่าใดก็เป็นตัวปัญญาเท่านั้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นการเริ่มปฏิบัติที่จะหักกิเลสได้ ที่จะดับกิเลสได้ที่จะหักใจได้ที่จะดับใจได้และเมื่อได้ในขั้นนี้ก็จะหักจะดับได้ในขั้นที่ละเอียดยิ่งขึ้นต่อไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป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 อรหันต์สมาสมุทติเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าพระขวานำในความหมายว่าอูปประกอบด้วยพระธรรมทั้งหลาย อันคำว่าภค ะ, ะนี้ก็คือจากคำวมาะควานั่นเองจะแปลว่าคูมีภค ะ, ะก็ได้และคำวมาภคะนี้จะเพาะ ในความหมายนี้ก็หมายถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐทั้งหลายความดีความประเสริฐทั้งหลายซึ่งพระอาจารย์ได้ยกขึ้นแสดง ว่าสิ่งที่ชื่อว่าพระคะในโลกก็มีหกอย่างคืออิสริยะความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่เหนือกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลาย ม, มก็คือก็คือโลกุตตรธรรมได้แก่มัคสีผลสีนิพานหนึ่งยด ก็คือความที่ได้รับยกย่องสรบเสรินสิริก็คือความสง่างามแห่งพระวรกายพร้อมทั้งพระหัทถยกามะ คือความสาเร็จตามที่ประสงค์พยัตตะคือความเพียรเป็นสัมมาวายามะความเพียรชอบก่อนจะตรัสโรก็ได้ทรง ม, มีความเพียรชอบ เป็นอย่างยิ่งจนถึงได้ตรัสรู้และเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีความเพียรชอบในการทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่โลก